ขออกาศกนัดสงฆ์จันทพรญาติโยมอาวโสพิสิกาก็มีโอากาศเดินทางไปกับหลวงพ่อเขียนที่จังหวัดมหาสารคามอ่าเป็นวัดในสายงานหลวงพระเทียนมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นวันสุดท้าย วันนี้ก็มีการประชุมกันเกี่ยวเรื่องความเป็นความตายนะของพระสงฆ์เวลาเบว่มาแล้วไม่มีญาติไม่มพี่ไม่มีน้องดูแลอยู่กับพระพระก็ดูแลพระเดียกันก็ไม่ค่อยมีกำลังจัดตั้งกองทุนจํานักกิจกันคนตนคิดก็อยู่เป็นเจ้าวาดวัด ที่เราไปกันชื่อวัดอะไรจะไม่ได้วัดป่าโนนดินแดงอะไรนะเขก็หารือกันเรื่องที่ชาวโลกก็ทำกันก็คือพอตายแล้วเราดมเงินก้อนพระก็ต้องส่งเปไ็นลายเดือยลายเปียอะไรนะันนะค่าสมัครพอตายแล้วจะได้มีเงินก้อน เราฟังดูแล้วมันก็แปลกๆ แ, แต่ว่าประยุกนิมใจนวส ก, กุลกรจายามีหลักกฎหมายมีที่คิดแบบโลกๆกแก้ไขกันหลวงพ่อท่านก็นำเสนอว่าให้ไม่ต้องถึงตอนตาย ไ, ไม้ตอนเป็นไปเยี่ยมกันบอกข่าวกันใครเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนมีความสุขชื่นใจนะ รู้ว่เจ็บไข้ไม่สบายป่วยจะได้ไปเยี่ยมกันไปสวดมนต์ให้คนป่วยฟังให้คนตายฟังท่านก็อ้างว่าตัวท่านเองตอนนอนลงไปบาลพระอาจารย์หลายๆรูปไปเยี่ยมกัชวนกันทําวัดเยน็นท่านก็ประนมมือคล้อยตามมาเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยในบทสวด บาลีแปลเป็นไทยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยคอยตามเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดกันเป็นในของร้อยอย่างที่เป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเช่นรู้ชาสามเราเห็นด้วยไหมมันรู้สามอย่างมันรู้อะไรบ้าง อบแผ น, นิวาสานุสติยานจูตู ป, ปัตยานหาสวัคไ ก, กา ย, ายานเออเห็นด้วยเห็นด้วยฝึสติรู้สึกตัวมันมีอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้นหมาเาเรียกวิญญาณการเดินทางเรียกญาณยนญานพานนะแต่ว่าทางจิตใจเขาเรียกวิปัสสนาญาณอะไรี่เรา ว, วิปัสสนาดูดูแลเห็นเห็นละวผ่าน ไม่แวะวิปัจจนนสนาเห็นเล่าสักต่วเห็นได้ยินสักต่วได้ยินมันไม่ปรุงการเห็นแบบนี้มันเห็นละผ่านก็เรียกปัส น, นัญาาเห็นกายก็วางกายเห็นความคิดก็วางความคิดเห็นความทุกข์ก็วางความทุกข์ทุกเกิดจากความคิดก็เรียกว่าตุเรียสัตสีเดียคิดแปลดีน ย้อนไปย้อนไปย้อนไปก็เรียกว่า บ, บุทเพลนิวาส า, านุสติญาณกิดย้อนย้อนย้อนย้อนย้ อ, อนสติปัญญามากลึกมันก็ลงลึกอะไรสิ่งอะไรอย่างที่ผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงว่าก่อนเกิดนะอันนั้นพระจะาไม่ได้พูดถึงก่อนเกิดก่อนตายหลังตายในว่าโลกของหลังความตาย มันเป็นอาจินไตไมันมีแต่เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ตาเหตุตามปัจจัยเพราะไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีตัววิชาก็ไม่มีการเกิดถ้ามีตัววิชาก็มีการเกิดเราก็จูตูปฏิยานสภาวะของจิตติดแสดงอาการนะ กอก็มั้วิชาสามเนี่ขณะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เห็นอาการต่างๆของกายของจิตเห็นด้วยเห็นด้วยอาการแก่อาการเจ็บอาการตายมันเห็นอาการแก่ล้ทุกอาการเจ็บแล้ทุกอาการตายตายที่นี้หมายถึงการตายของอยบทก่อนอันดับแรก การนั่งการเดินการยืนการนอนมีอาการเกิดดับของรูปธรรมแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ทุกข์ผ่อนคลายบรรเทาหรือว่าดับทุกข์เป็นกฎของธรรมชาติอันนี้คือการที่เราเดินทางอยู่ผ่านตลอดมีกายวางกายมีหน้าวางหน้ามีตาวางตามีหูวางหูจมูกลิ้นกายความคิดสมองว แล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปก <c oughs> ็เห็นกลุ่มที่ไปวัดในสายงานพิบัติธรรมกันก็เยอะประมาณ130ชีวิตพระประมาณยี่บรูปนเนนก็มีอยู่11คน11เ็รูปก็เห็นว่าอบอุ่นทีเดียวกางเต็นท์นอนกันปูฟางนะปูฟางไม่นอนสบายเหมือพวกเรานอนกุด ก็นอนฟางกลางเต็นท์นอนกันผู้ชายอยู่กลุ่มหนึง่งผู้หญิงอยู่กลุ่มนึง่งปฏิบัติการเดินชงกลมหนังส่างชาวะมีพระพี่เลี้ยงก็ดูอบอุ่นดีพระหนุ่มพระน้อยปฏิบัติธรรมกันของเราเชาวสุขโตก็เมื่ออาชีพแล้วคนผ่านไปผ่านมาก็รู้ก็ลงสนามเลยยังกลับมาก็เห็น ด็อกเตอร์ผู้หญิงอาจารย์สอนมอสวพสานมิตรเรียนนอกเดินจงก่มมืออาชีพมีสามีกะเดินอยู่กลางอบอุ่ น, นชวนไปมรผลนิพพานเนี่มืออาชีพเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีใครคอยดูคอยแลรดูแลตัวเองไปได้หลักกรรมฐานฝึกมาหลายครั้งแล้ว เดินบางหน้าวางตาวางกายวางใจมันก็เกิดสภาวะที่เราปกติเดินได้เรื่อยๆพอมีความคิดมันก็ติดกับดักของตัวรู้สึกมันก็กลับมาหาตัวสติปัฏฐานเนี่ยมันคิดแป๊บก็รู้ปุ๊บคิดแป๊บก็รู้ปุ๊บนะหลักมันอยู่ตรงนี้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเวลามันคิดมันนึกมันนึกมันคิดนะก็รู้พอรู้แล้วมก็หยุด ก็ตัดลงทันทีนะนาที่ของสติรู้ความคิดความคิดก็หยุดทันทีไม่ได้เจตนาคิดนะีตัวความคิดชนิดนั้นมันเป็นเรื่องของอืวิตาสงสารนะความคิดที่หลงเผลอคิดบ่อยๆมันเป็นเรื่องของความคิดที่เป็นสังขารที่มันเป็นสังขารที่ทําให้เกิด อกุศลอกุศลนะทาให้เกิดบุญเกิดบาปคราีการที่เราอยู่เหนือมันก็คือรู้เฉยเฉยไม่เอาความคิดไม่เอาอารมณ์มาเป็นความพอใจเอาความเพลินมาเป็นความพอใจเอาความเบื่อปฏิบัติด้วยความไม่พอใจทั้งสองตัวจะมีค่าเท่ากันทันทีถ้าเป็นอาการของสติปัฏฐานปรากฏก็เฉยเฉยจะรู้สภาวะของความพอใจเกิดดับ ควาไม่พอใจก็เกิดดับมันก็เลยเป็นการเดินทางผ่านตลอดมันก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยขณะที่ปฏิบัติไอ้สิ่งที่อ่านในสิ่งที่ได้ฟังไอ้สิ่งที่เราเคารพศรัทธาเรื่มใสม่ย้อนกลับมาเป็นคำตอบภายในจิตใจก็เป็นปัญญามันจะไม่ได้เป็นศรัทธาแค่งโ ง, โ ง, ง, ง, งยย่หลงมง่ไงเฉยๆเชื่อแว่าไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เชื่อคืออะไรเนี่ย รู้ว่าเชื่อครูอาจารย์ก็ทําอย่างนี้ทําได้เสร็จแล้วเราก็รอว่ามาเหลรมจะเกิดรอมาอะไรมันจะเกิดเดินเหมือนเดินจะหาอะไรเดินเหมือนเดินจะเอาอะไรปฏิบัติธรรมมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็แค่รู้สึกตัวนั่นแหละมันก็จบแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเอาไปมากกว่านั้นแล้วขณะปฏิบัติเคลื่อนไหวเฉยๆไปให้ตัวเฉยๆที่มันปรากฏขึ้นมานัน่น อันนั้นนะมันจะเป็นความเป็นปกติที่จะคอยหล่อเลี้ยงนเวบรตยนจนท้ า, ามันอิ่มแป้เลยล่ะนะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมั่นอกมั่นใจแล้วอาหารกล้าพอที่จะรักสันโดดอยู่กันเดียวมเงียวิเวกไม่สนประตูตึงสองสามปะงสองสามมันก็เพียงที่จะเดินทาง ว่ามันแม่ละละละลังหันเหรียหันขวางเสียเวลาเวลาติดกับเรื่องอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องของกระบวนการปลดปล่อยรู้ละปล่อยรู้ละวางรู้ละละรู้ละเลิกมันก็หยุดก็เย็นตรงเนี้นะมันไม่จะเย็นเพราะอากาศเย็นนะแต่ว่ามันเป็นสภาวะของไม่ไปในจิตใจน่ภายในจิตใจที่มันมีธรรมชาติแบบนี้อยู่ ในขณะที่เราปฏิบัติแต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับว่าร้อนลุ่มเกิดขึ้นมาก็ได้นะร้อนลุ่มอาจจะคิดถึงปัญหาเก่าๆคิดถึงปัญหาเก่าๆหรือว่ามันเกิดสภาวะของธรรมะฝ่ายอกุศลธรรมความเบื่อความห ง, งุดหงิดการพยาบาท มันก็เป็นราคะขี้นะเป็นลักษณะของโมหะคิเป็นโลภขี้องเนะเป็นลักษณะของไฟที่มันเกิดขึ้นมารุมร้อนทีเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นแค่อารมณ์อะไรก็ตามเทียนปรากฏขณะปฏิบัติคืออารมณ์ทั้งหมดนั่นแหละเราก็รับรู้รับทราบเฉยๆไปตัวนี้เรามันจะเป็นเรื่องของเทคนิคเทคนิค มาทําำบ่อยๆเห็นว่ามันเป็นสภาวะทำนะที่เป็นอารมณ์กรรมฐานคู่เมื่อปฏิบัติถูกนะเมื่อเราเห็นว่ามันปฏิบัติมันเกิดการวางรละวางถูกกันมั น, มนจะคู่ไปเลยกันไนนั่งเดินยืนนอนไปไหนทําอะไรก็ตามให้ตัวปกตินะเฉยๆมันจะคู่กันไปรู้สึกแล้วก็ปกติรู้สึกแล้วก็เฉยๆแล้วก็เหมือนกับจะรู้นะ ในสภาวะของความเป็นกลางความสมดุลนี่ได้มากๆมันก็จะค่อยๆสั่งสมเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วความชํานาญยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะมีอารมณ์เฉยๆโดยไม่ต้องประคองแต่ว่าไม่หมายถึงทีมประคองนะการหลบอารมณ์นะไม่เผชิญอารมณ์มันคือการประคองนะนะั่นแหะพอเราประคองบางทีมันก็จะติดสงบได้แต่พอเราเริ่มที่จะสังเกตได้ว่าอ๋อมันมีตัวที่ อยู่กับคนด้วยอยู่กัจกิจกรรมต่างๆแต่ว่ามันมีตัวนิ่งอยู่เราเริ่มเห็นแล้วอ๋อตัวนี้มันเริ่มเป็นเรื่องของอัตโนมัติเมื่อก่อนต้องใส่เจตนากำลัดรู้ลงไปขณะปฏิบัติต้องใส่เจตนาต้องกระทบแรงแรงเคลื่อนไหวแรงแรงตอนนี้มันเริ่มเหมือนกับว่ามันสัมผัสว่าเออขณะที่มันไม่ปกติกินวันไหวไปซ้ายไปขวานะ ทีก็ไปบวกไปลบไงนะเราสังเกตแล้วบอกมันมีตัวที่มันไม่บวกไม่ลบความคิดบวกก็มีความคิดลบก็มีอารมณ์บวกก็มีอารมณ์ลบก็มีแต่มีตัวไม่บวกไม่ลบแต่ว่าเราไม่ได้ไปคลองหลังจากที่เราสังเกตได้บ่อยๆจนมันทําเป็นนะมันทําเป็นมันไม่ใช่เหมือนกับคาที่หลวงพ่อครูาอาจารย์ท่านหมอทำแล้วก็มันรู้ทําแล้วมันรู้ฟังแล้วมันรู้เอ่านแล้วมันรู้เนีย แต่เมื่อทำเป็นทําเป็นนั่งเดินยืนนอนเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือนกับหลวงพ่อเขียนตอนนี้ท่านมีประโยคเด็ด เ, ดเร็วๆเนี้ยวันสองวันอยู่ประโยคหนึ่งก็คือการเก็บเข้าที่เข้าทางการเก็บกายให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเก็บวาจาให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางเก็บจิตใจให้เรียบร้อยเข้าที่ที่เข้าทาง โดยท่านเปรียบเทียบถึงเวลานอนนี่ก็เลยบเราใช้มันทั้งวันแล้วเก็บเข้าที่เข้าทางเก็บไม้เก็บมือวางแข้งวางขาวางหน้าวางตาแล้วก็นอนใจก็ต้องเก็บเหมือนกันถ้าไม่เก็บหลับไม่ลงคิดมากฟุ้งซ่านกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดก่อนนอนก็หาเรื่องมาคิดก็จะนอนไม่หลับก็ต้องเก็บเข้าที่เข้าทาง เพราะนั้นการปไปดรถทหรือว่ากรรมฐานเนี่ยมันเก็บเราก็เทียนใช้คําว่าเจิดมันเจิดนะตาดูกันเจิดหูฟังมันเจิดเวลามันคิดเคยมีรสชาติมีค่าก็าเรียกว่าลาคะอนามีค่าหรือไม่ให้ค่าประเภทที่เรียกว่าปฏิคะขัดออกขัดใจก็คือให้ค่านะนะให้ค่าทางบวกให้ค่าทางลบคํานะว่าไม่ให้ค่ า, าจริงก็คือวิลาคะอนะ พอมันเห็นแล้วมันเบื่อเบื่อหน่ายเหนื่อยหนายความทุกข์ที่เราเคยหลงหลงทางตาทุกทางตาปรุแต่งทางตามีอารมณ์เกิดความพอใจไม่พอใจกระทุกทางหูกระทุกจมูกลิ้นกายแล้วระบบความคิดต่างๆมันก็เหนื่อยหน่ายมันหมดพลังเพราะความคิดเวลามคิดวันนึงไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นเรื่องะ มหมดพลังพ อ, อ, อมารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เออมีพลังขึ้นมาสมองมันแค่พลังงานได้น้อยที่สุดเยแต่เวลามันคิดใช้พลังงานมากที่สุดมันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยหัวเหนื่อยกายเหนื่อยใจกินแล้วก็พูดกินแล้วก็ทำหมดพลังพอมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็มีกําลังใจขึ้นมาเราก็ได้สัมผัสกันละ อยู่นานๆก็ความรู้สึกตัวถ้านั่งเมื่อยก็เดินเดินเมื่อยก็นั่งก็ทำมันอย่อยางเงี้นะเก็บตกก็มีหลายๆอย่างใจส่วนก็มีกำลังใจขึ้นมาโดยการหยุดมันคิดแก้ปัญหาไม่ได้ก็หยุดเดี๋ยวปัญหาบางีเวลาผ่านไปก็หมดไปเองหยุดบางทีผู้ใหญ่ใจเดียวหยิบยื่นมือมาช่วย บางทีเราก็ไมมีประสบการณ์ผู้ใหญ่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็มองเห็นก็เกิดมีเมตตาขึ้นมาแล้ยืนมือมาช่วยบางอย่างก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวใช้ความอดทนอดกลั้นมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์แหละที่เราจะต้องรับรู้รับทราบเรียนรู้ฝึกหัดจนมันเกิดอันนี้สงขึ้นมาปฏิบัติทำมันก็ต้องเห็นทำมันนะ ปลูกมะม่วงได้กินมะม่วงปลูกทุเรียนได้กินทุเรียนทําไม่ตายซนะว่ไงออกดอกออกผลได้ปลูกข้าวได้กินข้าวปลูกสติสติมเจริญมีอานิสงส์งสติมีปัญญาก็มาเป็นปัญญาที่มันมันกลับมาหาตัวเราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นปัญญาพุทธเป็นนของพุทธะ พุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อกี้ที่เราสวดกันหนึ่งในในร้อยอ่ะมันีประโยคตรงนี้อยู่ด้วยเป็นผู้ที่รู้แล้วก็ตื่นแล้วเบิกบานสภาวะรู้ขนาหนึ่งมันก็รู้ตื่นเบิกบานขณะหนึ่งรู้สองขนาดวะ่ารู้ตื่นเบิกบานสองขณะจิตก็ทําไปเรื่อยๆให้เต็มพื้นที่ วันนึงถ้าเราคิดไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นเรื่องก็แสดงว่าจิตเราทํางานมันคิดไปตามเรื่องตามราวมันที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ประมาณเจ็ดหมื่นพบแชตเลยที่เราไม่รู้อีกรู้ไม่ทันอีกเสศเชียวอีกมันจะเป็นแสนแสนขนาดจิตเป็นล้า น, ล, านล้านขนาดจิตที่จิตสามารถได้ทุกมันสามารถทุกได้ตลอดเวลา ถ้ามันเผลอมาหลายแลักเสร็จมันก็จะมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวไว้มากๆเพิ่มเกิดนิสัยที่กลับมารู้สึกตัวไม่ให้มีนิสัยออกไปรู้นอกตัวรู้เนรู้ตัวก็เท่ากับว่าไม่ต้องรู้อะไรมากรู้สึกตัวขณะดนึงจนท้ายสุดมันก็เป็นเรื่องของการเดินทางที่มันจะต้องเรียกว่าถลํา่มถลําตกลงไปเนี่ย ในลองของมรรคผลนิ่ผ่านเองเคยมีการเปรียบเทียบสภาวะที่มันไหลไปตามมรรคตามผลพระองค์เคยตรัสไว้ว่า เ, ออเหมือนท่อนทรงเวลาท่อนทรงมันไหลบางท่อนถึงจุดหมายปลายทางคือมันไหลไหลไหลไหลไหลไม่ติดฝั่งท้ายไม่ติดฝั่งฟ้า ไม่โดนก็ลากไปชำแหละซะก่อนหรือว่าไม่ติดวางน้ําว น, น, าาวา น, วนบางทีมันก็ไหลไหลไปติดวางน้ําวนบางทีมันก็ไปถึงฝั่งเพรามันเน่าไปซะก่อนเป็นไม้ผุๆไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนไม่ใช่ไม้แก่นเพราะแก่นแห่งธรรมคือวิมุตติหลุดพน้นแก่นขึมา น, นีวิมุตติหลุดพน้นะพอจะได้แก่นมาก็ต้องเรียกว่า ผ่านเปลือกผ่านกระพีผ่านเนื้อผ่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นผ่านทานผ่านศีลผ่านสติผ่านสมาธิผ่านปัญญาจนมันเป็นเรื่องของมันมันฟันธงแล้วแหละมันเห็นซ้ำๆทาซ้าๆจนฟันธงมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็น ในตำราก็บอกว่าเปิดของที่คว่มให้มันหงายของที่ปิดก็เปิดขึ้นมาให้มันเห็นก็คือทุกที่เกิดจากความคิดนั่นแหละเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันโกรธกันก็ต้องไปทะเลาะกันต้องไปพูดไปดูไปด่ากันแสดงออกโมโทโซบันานโทสะ วีเวียงใส่นะวีนเวี่ยงใส่มันก็ไม่ทันแต่พอเราเริ่มฝึกความรู้สึกตัวนะมันก็ออก็ดียิงยงยยยยยย่งสนุกยิ่งกานยื้อยุยื้อยวนยิ่งสนุกกลับมาได้ฝีมือนั้นต้องเรียกว่าใจใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันให้เกิดอารมณ์ปฏิบัติกลับมาสู่ความเป็นปกติ ไม่ไม่เผลอมากเหมือนกับที่เมื่อกี้พระเจ้าเดือบเดือบเทียมเหมือนกับคอลากไปชำระอะรอย่างเงี้ยนะก็คือสัตวูกภูริหรือว่ามิดเทียมเขาเยื่อยุเยือ ว, ว, วนเราก็เผลอไปกับเขาหรือมากไม่ที่เป็นอารมณ์จากข้างนอกรสชาติของโลกนะ จำเกี่ยวก่อนหิงาสั น, น, น, นเสริมรมีลาบเสริมลาบมียอดเสริมยอดมีสงมีทุกมันบางทีเราก็หมดความเพียนท้อแท้ไปซะก่อนมันหนาวมันเหนื่อยมันเหงามันว่าเวเราก็เออไม่เอาละไม่ไปฏิบลลัติละเหมือนกับทอนซุงที่จมลงไปผุพังบางทีทก็ติดสมาธิติดความสงบไม่ไปไหนนะนิ่งดิ่งมันก็วนอยู่ตรงนั้นแหะ มันก็ไม่ไปไหนเพราะนั้นเวลาเกิดความเปลินึ้นมาเกิดวิตติเกิดความสุขความสงบก็ต้องรู้ทันเหมือนกันมีค่าเท่ากันก็คือศูนย์วางจากความหมา ย, ยาความเป็นตัวตนจะไปยึดเป็นความพอใจไม่พอใจ น, นก็คือเรื่องของการปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัติใหม่ๆปฏิบัตมิมีจิตสำนึกเกิดขึ้นมามากมายแล้วกันเข็ลาบต่อมาคือเป็นอารมณ์บุญ ความคิดเรื่องบุญอารมณ์เรื่องบุญมาแน่นอนพอเริ่มเห็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของโอ้เราจะเสียเวลาอะไรกันกักหนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอความเป็นปกติการปล่อยการวางยิงกลายเป็นเรื่องความเพียนว่ามีเรื่องหยาบเรื่องละเอียดมากมายแล้วกัหลังจากนั้นมันจะได้เหมือนกับว่าไ ด, ได้ได้หลักก็คือรู้ทันความคิดเห็นสมมติฐานงความคิดไอหลังแห่งความทุกข์เนี่ย มันเกิดขึ้นมาเราจะแล้วเราก็รู้เท่ารู้ทันจนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันมันสนุกกับการเห็นความคิดรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกมันก็จะเหมือนกับเริ่มเห็นแล้วว่าอารมณ์มากระทบเนี่ข้างในเรารู้ตัวเราเองยกตัวอย่างเช่นว่าเวลามีอารมณ์รุนแรงข้างนอกเนี่ยมันจะหลบเข้ามาตรงนี้พระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่า เต่ามันมีอยู่ห้าทางหกทางหัวขาสี่หางหนึ่งเนี่ยพอมันมีหมาป่าวิ่งเข้ามามันก็หดกลับเข้ากระดองทันทีเนมันเหมือนจะเป็นอย่างนี้เวลามีอารมณ์มันก็ตกรูปรสกลิ่นเสียงพระทับป harma ธรรมลมมันก็จะหดกลับเข้ามาทันทีกลับมาหาตัวเองทันทีตรงนี้ไม่ไปได้แก้ที่ข้างนอกมันจะแก้ข้างในเลยทันที อันนี้เป็นอ น, นิสงของของสติของปัญญาความรู้สึกตัวที่เราฝึกกันเราก็จึงไม่ต้องหันหลีหันกวางหรือว่าหลังเลสงสัยความสงสัยทำทให้เราหมดพลังไม่กล้าลงมือทำสักทีความไม่ชัดเจนว่าเรามาทำอะไรตอนนี้เรามาฝึกหัดเจริญสติในแนวเคลื่อนไหว เมีสิบสี่จังหวัดวันนี้ประชุมก็มีการนำเสนอะนะที่เราเปิกกันเนียก็เสนอว่าให้พูดสิบห้าจังหวัดอาจารย์ทองที่เคยเป็นประธานมูลนิธิหลวงผู้เทียนเก่าก็บอกว่าจริงๆล้ำสิบห้าจังหวัดให้ที่ประชุมเนี้ยนอมรับแล้วก็ ต่อไปนี้เวลาจะพูดอะไรพูดถึง15จังหวัดแนวหลวงพุเทเดียนไม่ใช่14จังหวัดก็มีการโต้แย้งกันพอสมควรมีพระอยู่รูปหนึ่นงท่านก็นบอกว่าเราไม่ต้องมาพูดถึง14 15ได้ไหมเรามาพูดถึงว่าแนวมันฝึกสติรู้สึกตัวโอเคนี้พอไม่ต้องมาพูดถึง14จังหวัด15จังหวัดเออมันก็จริง เราก็เคกินไหวนะะกี่จังหวะก็จะมาได้หมายว่าเ่อนไหวรู้สึกไหมเอาแค่ครั้งเดียวนะี้ถ้าจังหวะเดียวรู้สึกรู้สึกแล้วแหละตรงนั้นนะเดินจงกรมเนี่ยสัมผัสกระทบปลูกระทบปลูกระทบปลูรู้สึกก็เก่าแล้วแหลนนะโดย เ, เฉพาะการเดินจงกรมเนี่ยนะนะเคยเปิดเจอในปติวิตรเขาก็บอกว่าอันนี้สอมันเยอะจริงๆนะการเดินจงกรมในโมที่เรียกว่าสมัมปัญญาปัพะ ก็เริ่มต้นว่าพิสูจทั้งหลายเธอจะมีความรู้สึกตัวทบทุยอมในการเดินกา้กาวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับมาข้างหลังก้าว <9 S 1> ไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังจริงๆก็ก้าวเดียวอ่ะนะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังถ้าเราจะลองตีความกันดูนั่นแหละคือก็เรียกว่าเดินจงกลมแต่เรานีนเดินใช่มก๊อก๊อกก๊อกก๊อ ก, กแล้วก็กลับตัวเรา เดินมาแล้วกลับตัวยิงมีไอ้ลู่ทางเดินจงกรมเราใหญ่แล้วเดินจนสุดนนในกี่ก้าวรู้กันแล้วทำความยาวตามเหตุตามปัจจัยของมันทําได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นติดต้นไม้ก็สั้นหน่อยไม่มีต้นไม้ก็ยาวหน่อยเราก็เดินจนสุดนะไม่ต้องมาเถียงว่ากี่ก้าวเอาเป็นว่าหนึ่งก้าวหนึ่งขนาดให้มันรู้สึกซะก่อนแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อย อ า, าพาจะน้อยถ้าเดินจงกรมคนเป็นบาเร็งแล้ืว่าเป็นโรคในช่องท้องเดินให้มากๆอย่างไปครั้งนี้ไปแวะเยี่ยมพระอยู่รูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อนาลงอยู่ัป่านาโพท่านเคยเป็นตับแข็งไปครั้งนี้ในหน้าตาสดใสจ้ะแล้วเคยเฉียดตายไปนอนโรงพยาบาลแทบตายให้ได้เป็นหลายโรคมากท่านอาศัยเดินจงกรมนี่แหละ เดินอุ้มตับตัวเองเลยนะตอนเป็นตับตัวเนี่ยเดินอุ้มจะตายจะตายจะตายตายังไม่ตายเยตอนนี้ท่านบอกาหายแล้ว เ, เดินยังกลมยังหายปฏิบัติธรรมยัหายไปเลยโรกไัยไข้เจ็บนหน้าตาสดใสพระกูบาจานอาพาธน้อยนะอันนี้ยมันก็มีอา น, นิสงส์หลวงพ่อเขียนนี่ท่านต้องเดินสมัยท่านป่วยเป็นบะเร็งท่านเดิน คนห้ามไม่ให้เดินตากฝนนั่นก็เดินตากฝนนะท่านรู้จักธรรมชาติดีจะได้มีภูมิต้านทานถ้ามันต้านทานยังไม่ไหวมันก็ป่วยนะการป่วยไม่ได้หมายถึงว่าทําให้แย่ลงแต่ว่ามักลอาบอกถึงว่าขีดความสามารถของร่างกายที่สามารถที่จะรับเชือ้อโรคหรือว่ามีพลังที่จะต่อสู้กันมีแค่นี้ท่านจะได้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปในการพักและวเดี๋ยวปให้ก็เริ่มใหม่ การเดินจงกลมอันนี้สองทำให้เดินทางไกลได้ทนเวลาเราเดินทางไกลจะทนมากเดินจงกลม <c oughs> มันซ้อมอยู่บ่อยๆทมความเพียรได้ทนขณะที่เรานั่งรู้สึกตัวยกมือสิบสี่ชังไหวเนี่ยนั่งอย่างมากชั่วโมงนึงะเจ็บหลังเจ็บเอวแต่ว่าถ้าเดินนี่ได้นาน สองชมงสามชัมงครึ่งวันีเดินนั่งวันก็เดินได้แต่นั่งทั้งวันเนี่นั่งไม่ได้ก็เห็นละออน ม, มีความแตกต่างกันอาศัยองงกันเดินอย่งกลมสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเสื่อมได้ยากที่สุดเพราะเดินส่วนใหญ่เราก็เดินไปคิดไปเดินไปฟุ้งไปเดินเนี่จะฟุ้งง่ายนั่งนี่จะง่วงง่ายพอง่วงเราก็ไปฟุง้งอยคาลมซึมงอกรู้จิตกระดิ่ง เพราะนั้นมันมีไฮส่งที่เหมือนกับว่าเราลองมาฝึกหัดดูเห็นด้วยหรือไม่เดินทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ติ่มกันก็คือเวลายุงกัดเนีมแมลงมันกัดเนี่ยตัณหนั่งเนี่ยมันลุมเลยแต่ถ้าเดินไปหนีไปนะมันก็ไม่ค่อยโดนมแมลงกัดสัตว์กัดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอันที่สง่งเราไปหัดแล้วแล้วก็เรียกว่าเลือกเอากันแล้วกัน บางคนบางท่านอาจจะเดินได้นานนั่งได้น้อยบางคนบางท่านนั่งได้นานเดินได้น้อยก็แล้วแต่นะตามอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านนะอาจารย์กำพลนีนะ่เป็นน่าเวธรรมที่ในสายงานก็ก็ยอมรับนะเป็นคนพิการแล้วนกะ็มีการพูดถึงกันอย่างที่ประชุมก็มีการพูดถึงกันไม่ต้องทำสิบสี่จังหวะสิบห้าจังหวะ แก่พลิกมือไปพลิกมือมาก็ยังบรรลุทําได้เลยเขายังกล่าวกันอย่างนี้เดินตรงกลมก็ไม่ต้งใดเดินกระแขบนั่งพลิกมือไปพลิกมือมานั่งรถเข็นหรือว่านอนขยับมือไปขยับมือยังเห็นทําได้เลยเนี่ยเราก็มีครูบาอาจารย์มีแบบอย่างของคนในสังคมต่างๆมากมายที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงจนมีคําพูด คำที่มันเป็นประโยคอย่างเช่นจิตสดใสแม่กายพิการนีหรือว่าคนพิการยังทำได้เลยเราแขนขาดีๆทาไมจะทำไม่ได้ท่านก็เชียร์เราอยู่แต่ว่าของเราไอ้แขนขาดีเดินได้นยแล้วมันไปหาลมอื่นมันทำให้ไม่เกิดความต่อนเนื่องอยากไปคุยไปคุยกันอยากเดินไปไหนมาไหนก็ไปแล้วอันนี้ก็นอนติดเตียงอยู่ มันไปไหนไม่ได้มันบังคับจริงๆเงี้ยนะไม่มีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันแต่ท่านก็บอกว่าถ้าท่านเป็นเราๆเนะี่ยโอ้ยิงช่วยโอกาสเลยขยับซ้ายขยับขวาทำอะไรก็เก็บความรู้สึกตัวได้มากมายมีวิบทของท่านนี่แทบไม่มีเลยท่านก็ยังทำได้นะแล้วก็เรียกว่ามากันแบบมดคนงามๆแล้วก็มีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ในว่าหลวงพ่อเขียนนั่นก็เน้นให้พวกเราได้เหมือนกับว่าสอนตัวเองกันสอนตัวเองกันมีการเปรียบเทียบ ม, มาเชานั่งคุยกันมีบทสนทนาว่าครูเดี๋ยวนี้เงินเดือนเยอะมากนะครูนะแต่ว่าอัตราส่วนต่อ น, นักเรียนแล้วครูงที่สอนเด็ก4ี่ห้าคนนั้นนะ่ะทางโรงเรียนจะเหลียจะเหลียดแล้วเงินเดือนแพงแพงข้าหัวเด็กนะในการรับรู้เรียนรู้ คนะ่าจ้างเนี่ยสูงมากการเรียนพิเศษเนี่ยสูงมากกว่าจะได้ความรูนะ้ที่นี้เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้ครูบอาจารย์เนพะราะว่าตัวเองคือครูที่สอนตัวเองกันเราต่างคนก็ต่างสอนตัวเองกันไม่ต้องใช้พระเปลืองส่วนพระที่ท่านสอนกรรมฐานส่วนใหญ่ก็ล้มป่วยเราจะตายกันหมดแล้วอย่างเช่นพระในสายงานอยู่รุม ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะขณะที่กราบท่านก็รับไหวแล้วก็เอามือมาแตะกันพอดีมือจังหวะของท่านพิกมันเป็นสีเหลืองหมดเลยไม่มีสีเลือดเลยเหลืองแล้วก็หยาบกร้านหนารูปร่างก็อ้วนก็คืออาจารย์สุริยานะก็บก่กโอ้อาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาในี่ใช้อาจารย์ใช้งานหนักหน้าดูนะทางานหนัก ก็บอกลูกศิษย์ก็ว่าอย่าไปใช้อาจารย์เปลืองขนาดนั้นพยายามฝึกให้มากๆการได้ยินได้ฟังมันก็ดีอยู่แต่ว่าน้อมเอาประโยคเด็ดหรือว่าประเด็นสําคัญมาฝึกหัดกันก็นแล้วกันเดี๋ยเพราะประโยคเด็ดของหลวงประเทียนเนี่ยผมเราตามาก็เห็นว่ามันมีความสําคัญมากๆแล้วเราก็นำมาปฏิบัติตัวนี้นี่ผลในนี้สองจริงๆก็คือให้เห็นกายเคลื่อนไหวเขาว้าไว้แล้วก็รู้ทันจิตใจที่มันนึกมันคิดเนี่ยจุดนี้เราก็จุดที่วิปัสสนาญาณมันเกิดน กายไม่ใช่กายอย่างเดิมมีอาการของกายมากมายก็ถูกรู้เท่ารู้ทันที่เราเรียกกันว่าทุกข์ว่าทุกข์นะจริงๆมคือธรรมชาติทั้งหมดนเป็นแค่อาการจิตใจก็เหมือนกันการนักการคิดการปรุงนะจริงๆคืออาการของจิตธรรมชาติของจิตแต่ส่วนใหญ่เราไม่ทันมันมันก็เป็นอารมณ์มาเลยการที่เฉยๆเป็นพอใจไม่พอใจโลภกอดหลงรักจังอิจฉาริษยากลุ่มกัมกงวลนั้นหดหู่หงึงหวงเหี่ยวแห้ง ยิ้โหยหมดหงิดกลุ่มของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นความรู้สึกตัวเป็นเรื่องของปัญญาพุท ธ, ธะนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราคล้ายๆกับฉวยโอกาสปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหมนะ่มีวันหยุดเนะราชการให้หยุดโดยที่ไม่เป็นวันลาสุดยอดนะเราได้มาอยู่พักกันสังคมสุกโตกนะ็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด อีกที่หนึ่งในเรื่องของสถานที่ปฏิวัติธรรมที่อื่นก็สร้างกันโบสถ์วิหารลานเจดีย์อะไรมากมายของเราไม่ต้องมียมีป่ามีป่ามีต้นไม้ที่มันกําลังโตวันโตคืนแล้วก็มีที่พักที่อยู่พอสมควรที่นั่งที่เดินที่ยืนที่นอนที่กินที่ขับไต่ก็ถือว่าพอแค่นี้พอละคนจะมากี่ร้อยกี่พันก็พอละเอาแค่นี้พอพอที่จะอยู่กันได้ ใครที่ยังไม่มีที่พักก็บอกบอกกันนะกลุ่มนั้นก็มีอยู่ทั้งสลาอไตลักษ์กลุ่มที่ชี้เอื้อยดูแลกุญแจอยู่กุดส่ว น, นอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผมและธรรมมาเนี่ยนะเดี๋ยวกำลังค่อยๆจัดระเบียบนิดหนึ่งแล้วก็ท้ายสุดเขาจะอยู่ที่เดียวกันรวมในท้ายสุดแล้วก็ใครไปใครมาเขาเข้าพักมันได้หมดนั้วนะนะกดโน้นก็เหมือนกันกุดมีกุดของพระเถระอยู่ ติดกกุฏิของกุฎอาจารย์ชัดนอันนั้นที่แรกก็ดําเลียไว้เพื่อที่จะให้พระเถระครูบาอาจารย์เวลามาพักก็จะได้เอาเข้าที่นั้นมันสะดวกรถจอดได้แล้วก็ห้องน้ําห้องทาก็สาอานดที่แรกจะกันเป็นสักหกห้องนะครับกนัดทงก็มีความเห็นว่าสามห้องพอเดี๋ยวจะก็เกลิกคุยกันแล้วก็ส่งเสียงทําให้ เพื่อนๆ เ, เกิดความรงการก่อความรงกาญกันก็เลยมีแค่สามห้องเนี่ยก็ไปพักกันได้สำหรับพักเทล่าหรือว่าถ้าหากว่าพระมากันเยอะๆแล้วก็ไม่มีพักเถละมาก็อา้าวนุโรมกันไปให้ไปพักกันได้อย่างนั้นเลยก็ถือว่าพร้อมละแล้วก็ยิ่งรูปแบบปฏิบัติก็ถือว่ามันก็ไม่มีอะไรทิมจะเหนือวันนี้แล้วละ น, นที่อื่นก็ยังมีอะไรกันมากมายแต่ที่นี่ เรียกว่าดูกายล้วนๆจนถ้ามันเห็นเวนนาจิตธรรมดูกายล้วนๆ น, นะจนถ้ามันเห็นก็มันเองสติปัฏฐานตาในมันเห็นก็มันเองเวนนาจิตธรรมแล้วมันจะค่อยๆบอกเราเองว่าควรจะใช้พฤติกรรมอย่างไรในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการฝึกสติควบคู่ไปด้วยกันอันนี้เป็นเรืงของปัญญาพาธรรมที่หลังเองแต่ใหม่ๆเราต้องกระจายกลไกตรงนี้ให้ชัดก่อนเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดจนเห็นอาการของรูปธรรมนามธรรม เห็นโรคกำลังทำกำลังนั่งกําลังเดินกำลังยืนกําลังนอนกําลังกินกําลังขับถายกําลังพูดกําลังนิ่งนี่นะก็เห็นไปอย่างนี้ก่อนจนถ้ามันก็ว่ามันหายสงสัยเมื่อไหลก็มานั้นไม่ต้องรีบเดินก้าวเดียวให้มันคงไปเรื่อยๆรู้สึกตัวข้างเดียวเป็นปกติไปเรื่อยๆก่อนอะไรเห็นว่าสมควรก่เวลาควรหยุดตีไปเพียงการนี้ก็ขอให้สิ่งว่ารอมนุษยากาศรูปแบบการปฏิบัติหรือว่ากำลังจัทธากําลังปัญญา กำลังของความขยันสติสมาธิปัญญาวนนี้ก็เป็นองค์ประชมุมที่ทำให้เหมือนกับว่าเราเกิดกำลังแล้วก็มีความเพียนในการเดินทางสู่มรรคผลจนกระทั่งเหมือนกับว่าเข้าใจธรรมะสมควรแก่การวิบัติโดยทัวน้กการทุกท่านทุกคนนันเทิม